และจิตนี้ท่านได้มีแสดงอธิบายไว้ในอภิธรรมว่าจิตที่เป็นตัวจิตซึ่งยังไม่มีอารมณ์เรียกว่าผวังขจิต ถ้มามื่วังนั้นแปล ว, ว่าองค์ของเขาว่าคือองค์ของพพคือความเป็นพิจารณาดูในทางหนึ่งก็น่าเข้าใจว่า นำ ม, มารูปนี้เมื่อมีจิตที่เริ่มแต่ปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณดังที่กล่าวมาแล้วตามพระพุทธท ธ, ธิบายที่อ้างมาข้างต้นนั้นจึงมีตัวพบคือความเป็น ในที่นี้มุ่งถึงความมีชีวิตนามารูปนี้ยังก็ดำรงอยู่และเมื่อมีปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณตั้งแต่เบื้องต้นก็ก่อตั้งนามารูปนี้มาในเบื้องตน้นเติบใหญ่ขึ้นจเจริญขึ้น มาโดยลำดับดังที่ปรากฏอยู่แก่ทุกๆคนในบัทนี้เพราะมีอย่างตัวเพราะยังมีตัวจิตที่เป็นปริสนที่จิตหือเป็นปริสนที่วิญญาณในเบื้องตน้นและดังที่เด็กล่าวแล้วว่าพระอาจารย์ท่านเรียกว่าพวังขาจิตอีกคำหนึ่งด้วยคือจิตที่เป็นองค์ของภบ คือเป็นองค์สมบัติหรือองค์กุณแห่งพบคือความเป็นในที่นี้คือชีวิตความดำรงอยู่ความเป็นอยู่ความมีชีวิตอยู่ชีวิตก็คือความเป็นไม่ตายยังเป็นอยู่เพราะฉะนั้น ตัวจิตที่ทำให้ชีวิตนี้ดำรงอยู่ทำให้นามรูปนี้ดำรงอยู่จึงเรียกอีกคำหนึ่งว่าภวังคะองค์ของพบองค์ขึงความเป็นเป็นอยู่ดำรงอยู่ไม่ตายยังมีจิตนี้อยู่ก็แปลว่ายังไม่ตายยังดำรงอยู่ยังเป็นอยู่ พิจารณาดูความอูปเป็นดังนี้ได้จึงเรียกว่าผวังขจิตท่านอาจารย์ท่านก็เรียกดังนั้นว่าผวังขจิตอันทําให้ยังดํารงอยู่ยังเป็นอยู่ไม่ตายและความหมายของผวังขจิตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวผวังขจิต จิตแท้ๆนั้นไม่รับยังไม่มีอารมณ์คือจิตที่ยังไม่มีอารมณ์เรียกว่าวังคจิตต่อเมื่อมีอารมณ์จึงเป็นวิถีจิตวิถีวิญญาณจิตที่ บังเกิดขึ้นเป็นไปตามทางในเมื่ออายตนะภายในภายนอกมาประจุกกันเป็นต้นจิตที่เป็นไปตามทางนี้ก็คือว่าจิตเดินทางจิตเคลื่อนไหวจิตที่น้อมไป ไม่ใช่จิตที่อยู่ตัวคือนิ่งอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นท่านจึงมีคำเปรียบเอาไว้ว่าเหมือนอย่างคนที่นอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วงเมื่อมะม่วง ผลมะม่วงหล่นลงมาเสียงผลมะม่วงหล่นลงมากระทบแผ่นดินเสียงนั้นก็มากระทบโสเประสาทของคนที่นอนหลับก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็เอื้อมมือไปหยิบเอาผลมะม่วงมาบริโภค เสร็จแล้วก็หลับไปใหม่นี้เป็นอุปมามีข้ออุปมาว่าจิตที่อยู่ในพวังนั้นก็เหมือนอย่างคนนอนหลับและจิตที่ออกรับอารมณ์นั้นก็เหมือนอย่าง คนนอนหลับที่ตื่นขึ้นเอื้อมมือออกไปหยิบผลมะม่วงบริโภคแล้วก็หลับไปใหม่ก็คือเมื่ออายาจัภายในภายนอกมาประจวบกันก็เหมือนอย่างเป็นสิ่งที่มากระทบเข้ากับพวังขจิต ระวังขจิตก็ตืินขึ้นมาน้อมออบรับอารมณ์เมื่อรับอารมณ์แล้วก็กลับเข้าผวังใหม่คือเหมือนยังหลับไปใหม่เมื่ออายตนะภายในภายนอกมาประจวบกันใหม่ จิตก็ออกจากผวังอ อ, อองออกรับอารมณ์น้อมออกรับอารมณ์เสร็จแล้วก็หลับไปใหม่คือเข้าผวังใหม่ท่านแสดงธรรมชาติของจิตไว้แบบนี้จิตที่ไม่รับอารมณ์นั้นเรียกว่าผวังขจิต และจิตที่ออกรับอารมณ์นั้นเรียกว่าวิถีจิตวิถีก็คือทางก็หมายความว่าจิตน้อมออกไปเหมือนอย่างเนินทางและในการที่จิตน้อมออกรับอารมณ์นี้ เมื่อแสดงตามขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นวิญญาณขึ้นก่อนคือว่าเริ่มแต่จะขู่วิญญาณคือเมื่อตากับรูปมาประจบกัน กระทบถึงจิตจิตก็ออกจากผวางมาเป็นวิถีจิตที่แรกก็เป็นจะขูบวิญญาณรู้รูปทางจักสุขคือเห็นรูปในข้ออื่นก็เช่นเดียวกันและเมื่อ เป็นจะขู่วิญญาณเห็นรูปขึ้นแล้วก็เกิดสัมผัสเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารก็โดยอาศัยรูปนั่นเองเป็นนามรูปคือจะต้องมีรูปเป็นที่อาศัยอยู่ด้วย ยิงจะเกิดเป็นสัมผัสเป็นเวทนาทางกายทางใจหรือว่าทางรู ป, ปรกายในทางใจเกิดสัญญาเกิดสังขารคือคิดปรุงหรือปรุงคิดเสร็จแล้วก็เข้าสู่ภวังใหม่ในอารมณ์นั้นท่านเมื่อ อาจรณะภายในภายนอกประจวบกันใหม่อีกจิตก็ออกจากภาวังน้อมออกรับอารมณ์ใหม่ก็เป็นวิญญาณขึ้นก่อนแล้วก็เป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นทัญญาสังขารโดยมีรูปเป็นที่อาศัยไปด้วยกันเสร็จแล้วก็กลับสู่ภวังใหม่ เป็นไปดังนี้ทุกอารมณ์แต่ว่าเป็นไปรวดเร็วมากและจิตนี้ก็มีปกติรับอารมณ์ในคราวละหนึ่งเท่านั้นจะรับพร้อมกันสองไม่ได้ดาวละหนึ่งแล้วเมื่อที่หนึ่งเกิดดับไปแล้วจึงรับอารมณ์ที่สองได้ อารมณ์ที่สองเกิดดับไปแล้วจึงรับอารมณ์ที่สามได้ต่อต่อไปดังนี้ที่ว่าเกิดนั่นก็คือว่าออกจากผวัาดับนั่นก็คือว่าเข้าสู่ผวัาตามเดิมเป็นธรรมชาติเป็นธรมนธรมดาของจิตดังนี้เพราะฉะนั้นอารมณ์ทุกอารมณ์นั่นก็เป็นนามรูปนั่นเองรวมกันอยู่ เร่งตั้งต้นแต่วิญญาณเมื่อมีวิญญาณขึ้นก่อนแล้วจึงจะออกรับอารมณ์บังเกิดเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นคือเป็นความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นความจําได้หมายรูปเป็นคันความคิดปรุงเป็นความปรุงคิดในเรื่องนั้น ไปทีละอารมณ์ดังนี้แต่ว่าเพราะรวดเร็วมากจึงได้ไม่รู้สึกว่าหรือไม่รู้ว่าเป็นทีละอารมณ์เป็นทีละอารมณ์เกิดดับหยุดทีละอารมณ์ทีละอารมณ์และจิตก็ออกจากพวังเข้าสู่ผวังอยู่ทีละอารมณ์ทีละอารมณ์ดังนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรมนธรมดาของจิตเป็นไปอยู่ดังนี้ เพราะฉะนั้นพวังกจิตซึ่งเป็นตัวจิตต้นเดิมรับอารมณ์ก็ออกจกพอวังมาเป็นวิถีจิตวิถีจิตนั้นทีแรกก็เป็นวิญญาณแล้วจึงจะเป็นนามเป็นรูปเป็นตัวอารมณ์ ดังที่ปรากฏอยู่ในจิตใจของทุกๆคนอย่างเต็มที่ทุกคนก็มีสุขมีทุกมีเป็นกลางๆไม่ทุกไม่สุขมีความจำได้หมายรูปมีความคิดปรุงมีความปรุงคิดทั้งหมดนี้ก็เป็นนามรูปนี่แหละรวมกันอยู่เป็นตัวอารมณ์ซึ่งจะต้องมีวิญญาณเป็นเบื้องต้นเพระฉะนั้นเมื่อวิญญาณเกิดนามรูปยังเกิด นี่เป็นอธิบายตามวิถีวิญญาณหรือวิธีจิตต่อปันี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทาความสงบสุขต่อไปับันนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต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 คือเห็นถูกต้องในปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมังเกิดขึ้นตามที่ท่านพระสารีบุตรได้ให้เทราธิบายไว้ ฟังดูก็เป็นเรื่องยากหรือเข้าใจยากแต่เมื่อได้ตั้งใจฟังทราบอธิบาย ของข้อธรรมะนันนันและตั้งใจฟังว่าธรรมะนั้นๆเป็นเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันเหมือนอย่างลูกโซ่ อย่างไรแม้ตามที่ได้อธิบายก็ย่อมจะพอเข้าใจไปโดยลำดับ ความเข้าใจนี้แม้ว่าจะเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยหรือจะเพาะบางข้อบางประการก็ย่อมเป็นการดีเป็นอันว่าได้เริ่มเข้าใจบ้าง และความเข้าใจบ้างนี้เมื่อได้ตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณาซ้ำๆไปบ่อยๆและเมื่อได้มีการปฏิบัติทางศีลทางสมาธิ ประกอบกับปัญญาที่พิจารณาก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเปรียบเหมือนอย่างว่าน้ำฝนที่ตกทีละหยาดทีละหยาดอยากช้ยคาลงตุ่มน้ำ ก็ทำตุ่มน้ำให้เต็มได้จากน้ำฝนที่ตกทีละหยาดทีละหยาดเท่านั้นแต่ท่านก็สอนอยู่เสมอว่าให้ทำบ่อยๆใช้คำว่าซ่องเสพให้มากปฏิบัติให้มาก ปฏิบัติบ่อยๆจึงจะได้ผลที่สืบต่อและเพิ่มพูนเหมือนอย่างน้ำที่ตกทีละหยาดทีละหยาดนั้นลงตรมเมื่อตกลงไปได้สักสิบ หยดยี่สิบหยดสิบหยดยี่สิบหยดก็หยดุดทิ้งไว้สักวันสองวันน้ำในตุ่มนั้นก็จะแห้งไปก็เป็นอันว่าต้องรองน้ำฝนกันใหม่อีกทีละสิบหยดยี่หยดแล้วก็หยุดไปอีกวันสองวันน้ำฝนนั้นก็หมดไปอีกแห้งไปอีก เพราะฉะนั้นจะต้องรองติดต่อทิละหยาดทีิะหยาินั้นต้องหมายความต้องติดต่อด้วยไม่ทันที่จะแห้งน้ำยังจะเพิ่มเติมขึ้นมาจนถึงเต็มถุ่มได้เพราะฉะนั้นการทำบ่อยๆที่เรียกว่ามีความเพียรไม่ย่อย่อน แต่ว่ามีความเพียรที่มั่นคงคือติดต่อสืบต่อกันไปอยู่เสมอแม้ทีละน้อยที่เหมือนอย่างน้ำทีเยหยดทีละหยาดนั้นก็ทำให้เต็มได้จะให้ติดต่อกันไปอยู่เสมอเท่านั้นความเข้าใจในธรรมะก็เช่นเดียวกัน ก็ยอมได้มาทีละน้อยทีละน้อยแต่ว่าไม่ติดต่อที่จะฟังที่จะพิจารณาก็จะได้ความเข้าใจมากขึ้นจะได้แสดงอธิบายต่อ ถึงข้อที่ว่าเพราะนา ม, มารูปบังเกิดขึ้นอาจจตนะทั้งหกจึงเกิดขึ้นหรือว่าเพราะนา ม, มารูปเป็นปัจจัยอาจจะนะทั้งหกจึงเกิดขึ้น ส่งสืบตอมาจากเบื้องตอน้นเมื่อเพราะอาสวะเป็นปัจจัยอวิชชาเกิดหรืออวิชชาเป็นปัจจัยอาสวะเกิดอาสวะเป็นปัจจัยอวิชชาเกิดเนี่ยเพราะอาวิชชาเกิดสังขาร ความปรุงแต่งก็เกิดเพราะสังขารเกิดวิญญาณก็เกิดเพราะวิญญาณเกิดนามารูปก็เกิดเพราะนามารูปกเกิดอายตนะก็เกิด จะได้กล่าวถึงนามมารูปเพิ่มเติมจากที่ได้อธิบายไปแล้วคำว่านามมารูปนี้ประกอบขึ้นด้วยนามและรูปหรือว่ารูปและนาม แต่ว่าเมื่อเรียกคู่กันย้ายเอานามไว้ข้างหน้าเป็นนามรูปมักจะฟังอธิบายหรือฟังเทศกันบ่อยๆว่าขันท้า คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อลงเป็นสองรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามโดยมากก็ เหตุกันเรื่องิบายกันดังนี้แต่พึงเข้าใจว่าไม่จำเป็นที่จะต้องจัดอย่างนี้ ไปทั้งหมดคือเมื่อเป็นนามแล้วก็จะต้องเป็นเวทนาเป็นทัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณในขันท้าอะไรจะเป็นนามก็สุดแต่ พาธิบายในหมดธรรมที่แสดงถึงนามารูปนั้นๆในเมื่อแสดงขันห้าก็ย่อขันท้าของนามารูปดังกลา่าว แต่ว่าเมื่อแสดงในหมดธรรมอื่นการจะจัดอาราิเข้าเป็นรูปเป็นนามนั้นก็สุดแต่ปริยายแห่งธรรมคือทางแสดงแห่งธรรมนั้นๆ ดังเช่นในปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นนี้ก็ได้มีพระเถระอธิบายถึงรูปและนามไว้แล้วซึ่งก็ได้แสดงอธิบายไว้ในทีรีแล้ว แต่จะขอกล่าวซ้ำเพื่อไม่ต้องนึกอีกครั้งหนึ่งว่ารูปนั้นก็มหากูปอุปาทายรูปรูปใหญ่รูปอาศัยการอธิบายรูปก็ตรงกัน ในปริยายแห่งธรรมทั้งปวงส่วนนามนั้นท่านพระสาริบุตรได้ใค้อธิบายไว้ว่าได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุข สัญญาความจําได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะก็คือความกระทบแห่งอาจตนภายในภายนอกและวิญญาณ รวมกันคือเป็นความกระทบแห่งอารมณ์ถึงจิตที่มีความแรงให้เกิดเวทนาขึ้นได้และ มนุษสิการ